ใครที่ติดตามข่าวอยู่บ้างนะก็คงทราบดีวว่าตอนนี้นีนะ่เกิดไฟไหม้ใหญ่นะที่หมู่เกาะฮาวายโดยเพพาะเกาะเมาวีนะเป็นไฟไหม้ที่เรียกว่าก่อความพินาศนะอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในรอบศตวตรรษไม่ใช่แค่บ้านเรือนที่ถูกเผาปราะเภทว่าราพนาสูล แต่คนยังตายกันนะตอนนี้กเกือบร้อยแล้วนึกคิดว่าคงจะหลายร้อยทีเดียวทางนั้งที่ก็พยายามหนีไฟนะแต่คงจะหนีไม่ทันนะ่ะเพราะไฟมันลามเร็วมากแต่ว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรนะก็เ พ, ะเพราะอากาศมันร้อนมากเนะมันไม่ได้ร้อนอย่างเดียวนะไอ้ความชื้นที่มีเนี่ย ก็ถูกเผาจนกระทั่งมันแห้งนะอากาศที่มีอุณหภูมิสูงแล้วก็แห้งเนี่ยนะมันก็เป็นปัจจัยที่เหมาะสำหรับการเกิดไฟอยู่แล้วเปลวไฟเล็กน้อยนี่ก็สามารถที่จะลามอย่างรวดเร็วม่นำซ้ำนะยังมีพายุเข้าไปอีกนะพายุมันก็แรงมากทำให้ไฟนี่มัน มีความเร็วสูงเลยนะคนเนี่ยบางทีก็หนีไม่ทันนะอากาศที่ร้อนแบบสุดๆความแห้งนะของอากาศแล้วก็ลมพายุนี่ถามว่าเกิดจากอะไรนะก็คงตอบได้ไม่ยากนะมันก็มาจากปรากฏการณ์ที่เรียกว่าโรคร้อนเดี๋ยวนี้เขาไม่เรียกว่าโรคร้อนนะเาเรียกว่าโรคเดือดนะ กลายเป็นคําใหม่เพราะทั้งโลกเดือดใ น, นช่วงนี้นี่ก็มีข่าวนะไฟไหม้ในหลายประเทศนะที่เราเคยมองเป็นประเทศที่อากาศเย็นสบายเช่นอเมริกายุโรปเนี่ยแต่ช่วงนี้มันเป็นหน้าร้อนของเขาฮาวายนี่เคยเป็นอากาศเป็นหมู่เกาะที่อากาศเย็นสบายลมพัด ส, สบายแต่ว่าตอนนี้มันกลับกลายเป็น นำพาความรุ่มร้อนระดับไฟนรกมาแล้วไม่ใช่เฉพาะฮาวายนะหลายประเทศหลายรัฐทางภาคใต้ของอเมริกานี่ก็เมื่อเดือนที่แล้วนี่ก็เจอความร้อนนี่หนักมากแล้วก็ยังยาวนานมาจนถึงเดือนนี้อย่างเมืองฟิลิกนะ์อาริโซ น, นานี่อุณหภูมิเนี่ยสูงถึง40กองศานะ สี่ิบสามองศาเซลเซียสนะแล้วไม่ใช่แค่วันเดียวนะติดต่อกันมาสี่สิบวันแล้ว <c oughs> บ้านเรานี่สมสิบกว่านี่ก็ถือว่าร้อนแล้วหรือถ้ามีสูงถึงสี่สิบกว่าองศามันก็แค่วันสองวันแต่นี่นะเฉพาะอริโซนาหรือฟินิกส์เมืองเดียวนี่ก็ลอกข้าไปสี่สิบวันแล้วต่อเนื่องนะ ร่าการนี่ร้อนมากขณะที่เรียกว่าไข่เนี่ยเผอหกล้มนะตอนกลางวันนะหกล้มเนี่ยบอกว่าแผลนี่มันไม่ใช่แค่พุกพองนะถูกเผาจนไหม้เลยมีคนแก่หกล้มบนทางเท้าฟุตบาทหรือว่าหนักกว่านั้นเนี่ยบนถนนที่ลาดยางเนี่ย บอกว่าต้องเข้าโรงพยาบาลเลยนะเพราะมันร้อนมากแขนก็ดีมือก็ดีบางทีก็ใบหน้านี่ถูกความร้อนเผานี่ระดับสเลยนะต้องเข้าโรงพยาบาลเลยมันไม่ใช่แค่ผ่าผู้พองเพราะว่าพื้นถนนฟุตบาทก็ดีเทปูนลาดยางนี่มันร้อนจริงๆเหมือนกับกระทะเลยนะกระทะที่ ที่เผาไฟเนี่ยนะนะตอนนี้นี่เขาก็กำลังคิดกันแล้วนะว่ามันคงไม่ใช่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะครั้งเฉพาะคราวหรือเฉพาะปีแบบประเภทว่าหนึ่งในร0 0หนึ่งใน้อยปีหนึ่งในพันปีมันมีนะ้ำนมที่จะเกิดขึ้นทุกปีเลยก็ว่าได้ตอนนี้นะคนก็เริ่มคิดกันละ ว่าจะอยู่ยังไงนะทํากลางอากาศที่ร้อนมากขึ้นทุกทีแบบนี้เนี่ยอันนี้ก็เริ่มมีการพูดกันแล้วนะว่าเราจะต้องปรับชีวิตของเราอย่างไรบ้างอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พูดกันในหมู่ในประเทศอย่างอเมริกาฟรุโรปนะซึ่งเจอขึ้นความร้อนหนักๆซึ่งเรียกว่าหนักหนายิ่งกว่าบ้านเราทั้งที่บ้านเราเป็นประเทศร้อนแต่ว่าเขาเจอความร้อนหนักกว่าเรา ตอนนี้คิดกันแล้วว่าจะใช้ช่วยกันอย่างไรกับโรคที่ร้อนเช่นตอนนี้ก็พูดกันว่าเนี่ยต่อไปเนี่ยเด็กๆ เ, เนี่ยจะไปเล่นนะไปเดินเล่นในที่โลง่ลงๆในช่วงหน้าร้อนนี่คงจะทำไม่ได้แล้วหรือทำได้น้อยลงอันตก่อนเนี่ยพอถึงหน้าร้อนเนี่ยเด็กๆในยุโรปในอเมริกาแล้วก็ต้องผู้ใหญ่เนี่ยก็จะไปรับแดดกัน มีกิจกรรมในที่โล่งในสวนสาธารณะเดินเล่นนะหรือเล่นกีฬากันแต่ตอนนี้เขาบอกว่าเนี่ยสงสัยจะทำไม่ได้แล้วละซึ่งก็เป็นเรื่องน่าเป็นห่วงมากนะเพราะว่าเด็กเนี่ยถ้าไม่ได้มีโอกาสออกไปข้างนอกไปทำกิจกรรมในที่โล่งแจ้งนหรือนอกบ้านนี่นั่นจะมีปัญหาต่อพัฒนาการของเด็กมาก เพราะว่าการที่เด็กออกไปข้างนอกเนี่ยมันทําให้เด็กเขาได้ออกกำลังกายพัฒนาทางกายท า, ทางใจทางอารมณ์แต่ถ้าว่าเก็บตัวอยู่ในบ้านเพราะว่าอากาศข้างนอกมันร้อนมากนี่เขาก็เชื่อมันจะมีปัญหากับร่างกายของเด็กนะแม้จะเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อการใช้แขนขาหรือว่าความอ้วนนะต่อไปความอ้วนก็คงจะเพิ่มมากขึ้นแล้วก็สายตาสั้นก็จะมากขึ้นนะ เพราะว่าอยู่แต่ในบ้านก็มุ่งงดูหนังดูโทรทัศน์เล่นโทรศัพท์เล่นเกมตาก็สั้นไม่เมื่อไปข้างนอกนี่อ่อตานี้ก็จะแย่น้อยลงยิ่งกว่านั้นคือเรื่องของจิตใ จ, จนะเพราะว่าเนี่ยความใ่รู้ความสนใจใยรู้ของเด็กนะความคิดสร้างสรรค์ความรู้จักคิดมีพากวิจารมีวิจารณญาณเนี่ย มันเกิดขึ้นได้มากในเวลาเด็กเขามีกิจกรรมข้างนอกนะในที่โลง่งนะนอกจากการออกกำลังกายแล้วเนี่ยในเรื่องของความคิดจิตใจมันก็มีพัฒนาการด้วยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเอาแต่เก็บตัวอยู่ในบ้านเพราะว่าข้างนอกมันร้อนต่อไปเด็กก็จะมีความสนใจใขรรู้น้อยลงนะความคิดสร้างสารรค์ก็น้อยลงถึงแม้ว่าจะอยู่กับ คอมพิวเตอร์อยู่กับแท็บเล็ตมากขึ้นก็ตามความคิดสร้างสรรค์ความคิดที่มีวิจารณญาณก็จะลดน้อยถอยลงและที่น่ากลัวอย่างก็คือว่าความก้าวร้าวและความโกรธ ก, ก็จะเพิ่มมากขึ้นนี่เฉพา ะ, ะการเก็บตัวในบ้านนะยังไม่ได้พูดถึงว่าฝนแรงน้ำท่วมนะหรืออากาศร้อน นะชนิดที่เรียกว่าทำให้เจ็บป่วยนะล้มตายกันแล้วก็ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องของโรคระบาดนะซึ่งกําลังก็ ก, กลาลังแพร่หลายมากขึ้นแพร่อยู่ในบ้านสบายๆเนี่ยนะมันก็เกิดปัญหากับเด็กมากมายนะและเรื่องนี้ก็คงไม่ใช่เป็นเรื่องของประเทศอย่างอเมริกายุโรปนะคนไทยเราก็ต้องเตรียมรับมือนะกับโรคหรือ สิ่งว่าล้อมที่แปลเปลี่ยนซึ่งก็จะหมายถึงช่วยที่แปลเปลี่ยนไปด้วยอย่างที่เคยพูดไปแล้วนะว่าเนี่ยเมืองไทยหรือว่ากรุงเทพมนต่อไปก็ต้องเจอน้าท่วมแน่นะไม่ใช่น้ำฝนไม่ท่วมพาน้ำฝนแต่ท่วมเพราะน้ำทะเลอัต น, นาคาโลกนี่เคยพยากรณ์ไว้นะว่าอีก20ปีหรือ30ปี 40% ์ของกรุงเทพก็จะโดนน้าทะเลท่วม ไอ้ที่ก็าคาดการนี่คือเมื่อ10ปีที่แล้วนะก็หมายความว่า20ปีตอนนั้นคือ10ปีตอนนี้นะคือ10ปีนับต่นี้ไปหรือ20ปีนับต่นี้ไปนี่เตรียมเจอได้นะน้ำทะเลที่ท่วมซึ่งตอนนี้ก็เกิดขึ้นตามาชายาชายฝั่งแถวสมุทรปาการแถว กรุงเทพนะบางขุนเทียนอันะนี้ก็เจอน้ําท่วมไปเรียบร้อยแล้วอย่างเช่นวัดขุนสมุทรจีนนี่ก็โดน้ําท่วมไปจนเรียกว่าอุโบสถ น, นี่ก็แทบไม่เหลือแล้วท่านักที่เดินนี่อยู่ห่างจากชายฝั่งทะเลนี่ก็เป็นกิโลนะแต่ตอนนี้น้ําล้อมรอบแล้วอันนี้ก็เป็นแค่ตัวอย่างนะที่เราต้องเจอนะ วันนั้นเนี่ยต้องคิดถึงเรื่องการปรับตัวปรับใจสําหรับชีวิตแบบใหม่นะในโลกที่มันร้อนขึ้นเรื่อยๆไอ้ปรับตัวนี่ไม่ยากนะปรับใจนี่มันยากกว่านะอย่างลองนึกภาพนะสมัยที่โควิดระบาดแล้วมีการล็อกดาวน์เนี่ยคนก็อยู่ในบ้านกันหลายคนก็ไม่ได้มีความทุกข์อะไรนอะจากการที่ร่างก จากการที่เก็บตัวในบ้านหมายถึงความทุกข์กายนะยังมีกินมีใช้แล้วก็น้องยังไ ม, ยงไม่ยังไม่ต้องเจอความร้อนอะไรมากร่างกายก็ปกติดีแต่ใจมันปรับตัวไม่ได้เลยเหงามั น, มน ว, ว้าวเวมันเคร่งครวญมันเครียดกายไม่เป็นอะไรมากแต่ใจมันทุกข์มากนะเพราะอะไรเพราะการปรับใจนี่มันเป็นเรื่องยากและยิ่งต้องมาปรับตัวเพราะโรคร้อนนี่ ไอ้ร่างกายก็ต้องเดือดร้อนด้วยแหลนะเพราะความร้อนนะหรือว่าเพรา ะ, ะภูมิอากาศที่แปดเปลี่ยนไปแต่มันก็ยังไม่หนักเท่ากับการปรับใจนะเพราะว่าหลายคนก็ยังติดยึดอยู่กับโลกเดิมๆที่คุ้นเคยวิถีชีวิตเดิมๆที่คุ้นเคยพอวิถีชีวิตมันเปลี่ยนแปลเปลี่ยนไปนี่มันทำใจไม่ได้แล้วก็จะทุกข์ทรมานมากแถมมีเรื่องของความทุกข์กาย เพราะว่าสิ่งแวดล้อมมันแปลเปลี่ยนไปน้ำท่วมหรือต้องย้ายบ้านนะย้ายภูมิลำเนานะหรือว่าไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกเหมือนเมื่อก่อนยิ่งหนักเข้าไปใหญ่อันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องเจอในวันข้างหน้าซึ่งก็ไม่ได้ไกลนะคงจะได้เห็นนะภายใน5ปี10ปีนี่แหละนะหรือว่า20ปีอย่างช้าเราก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจไว้แต่ว่าจะนิ่งนอนใจก็ไม่ได้นะอะไรที่เราช่วยบรรเทา ให้ความรุนแรงมันน้อยลงก็ต้องก็ต้องทำนะไม่ใช่แค่ปรับใจอย่างเดียวหรือปรับตัวอย่างเดียวหรือรอรับปัญหาชี่ิเกิดขึ้นแต่ต้องลงมือช่วยแก้ไขให้สาการมาเลวร้ายลงด้วย